ธรรมชาดกแผ่นที่9าลำดับที่21โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่10ตุลาคม2556มีชื่อเรื่องว่าลูกชายไม่ได้รับพรวันนี้พวกเราก็ได้สวดพระปริตตะมงคล สวดมนเพื่อเป็นสริริเพื่อเป็นมงคลในครั้งพุทธกาลมีไหมมีนะในการสวดพระปริตะมงคลเพื่อเป็นมงคลเพื่อกำจัดภัยวิบัติอันตรายอย่างนี้ก็มีนะเพราะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาของพวกเราท่านไปอยู่ในป่าดงพงไพยท่านจงให้พระสงฆ์สวดพระปริตะมงคลและกะแ็แผ่เมตตา บูทิสสวนกุศลด้วยอย่างพระพุทธเจ้าท่านก่อให้สวดกรณียเมตตสูตรถ้าไปอยู่ในป่าดงพงไพที่เป็นอมนุษย์คือพวกภู ม, มิลุขเทวดาที่ไม่ยินดีในการเป็นอยู่ทาให้เขาลําบากพระพุทธองค์ก็ให้สวดพระสวดกรณียเมตตาสูตรเพื่อให้เขาอนโมทนากับพระสงฆ์ที่มาบําเพ็ญณสถานที่ ที่ของเขาอยู่ในป่าธงพงไพอันนี้ก็คือเป็นประวัติมาตั้งแต่ดึกดาบรรดตั้งแต่ครั้งพุทธกาลแต่สําหรับพวกเราท่านทั้งหลายที่มาสวดเราไม่ได้สวดอ้อนวอนนะพวกเราไม่ได้สวดอ้อนวอนเราไม่ได้สวดให้พระพุทธเจ้าช่วยเราเราสวดเพื่อสรรเสริญอย่าง阿拉หั่งเราก็สรรเสริญพระพุทธเจ้า สวาคาโตเราสนสับเสริญพระธรรมคําสอนของพระพุทธจเจ้าสุปฏิปนโนเราจะนั่นเสริญพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจา้าจากนั้นก็ น, นะโมตัสสะปะขาวโตอระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น อ, อ, อันนี้คือเรา ย้อนประวัติศาสตร์ล้ำลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีพระคุณที่ประกาศพระธรรมคําสอนให้พวกเราได้ศึกษาได้ปฏิบัติพระสงฆ์ก็เป็นผู้นําพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาให้พวกเราได้รู้ได้ปฏิบัติอันนี้ว่าสังโคจากนั้นพอเราก็กล่าวชุบปฏิปโนจะนีะ่ฉันรเสิร์นพระพุทธเจ้า จากนา ก, กาเยยวจายาวเยสตะวะข้าพเจ้าได้ประม า, าทพลาดพรัง้งพระพุทธเจ้าด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจขอพระองค์จงอโหสิให้อภัยแก่ข้าพเจ้าด้วยนะกาเยนะความแปลและความหมายจากนั้นค่กาเยยวาจาย่าทำเมกุกรรมังข้าพเจ้าได้ประม า, าทพลาดพรัง้งพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจขอพระธรรมคำสอนของพระเจ้าโปโหสิให้กับข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าจะได้สำรวมระวังต่อไปและกาเยยวาจาสังเคกุกมังข้าพเจ้าได้ประมาทผัดพังพระสงสาวกของพระพุทธเจ้าด้วยกายยกรรมวจีกรรมโนกรรมขอพระสงค์เจ้าโปโหสิให้ข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าจะได้สารวมระวังต่อไป จากนันกับพุทธทางสารานางคัจฉามิธรรมมังข้าไปเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งรู้ตียามปีพุทธทางธรมมังสังขังข้าไปเจ้าขอยืนยันเป็นครั้งที่สองว่าจะยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งตาตียามปีพุทธทงธรรมมังเข้าไปเจ้าขอยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นครั้งที่สมเป็นสารณะเป็นที่พึ่ง จากนั้นกันัตทิเมสรณังอันยังที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธทเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นชรณะเป็นที่พึ่งของพันประเสริฐของข้าพเจ้าในนัตทิเมยจากนั้นกับพระหุงเวสรณังยันติที่พวกเราสวดเมื่อกี้นี่นะพระหุ้งเวสรณังยันติพระปะตานิวรณานี้จะอารามะรุกเจตยานิข้าพเจ้าจะไม่ถือต้อนไม้ภูเขาเจดี เออแล้วก็ถ้าหรือว่าที่อะไรต้นไม้ภูเขาพระปโตพระปตาพระปโตวนาเนี่ยคือป่าเนี่ยวนาเนีย่ยจ่าข้าพเจ้าจะไม่ยึดป่าไม้ภูเขาเป็นสารณะเป็นที่พึ่งข้าพเจ้าจะยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งข้าพเจ้าจะไม่ ยึดบุคคลเข้าไปเจ้าจะมียึดเจดีย์ร้างที่เข้าไปเจ้ามายึดปนไม้ภูเขาเป็นที่พึ่งอันนี้คื อ, คอพระอง์เวชรนังยนันตะิจากนั้นก็สวดอเสีวนาเจบาลานังบัณฑิตตา น, นจะเซวนาคําวา่าอเซวนาเจบาลานังคํานี้บวชฉดมนนี้ที่เริ่มต้นอย่างนี้ในครั้งพระพุทธเจ้าทัพองปาลบเทวดานะ เทวดาคือสมัยหนึ่งมีบุรุษคนหนึ่งเข้ามามาพูดกล่าวกล่าวในสาธารณชนเพราะว่าอขอมงคลจงเกิดแก่ข้าพเจ้าขอความชริมงคลเกิดแก่ข้าพเจ้าด้วยเทิน เ, เพราะว่าเท่านั้นเกิดหายเงียบไปเข้าพนั้นก็เลยบอกเอ่ยคำว่าชริมงคลเนี่ย มันคืออะไรใครเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นมงคลเป็นชริเป็นมงคลนะั่นคืออะไรคนหนึ่งบอกว่าได้เห็นรูปสวยๆอันนั้นแหละคือเป็นชริเป็นมงคลคนหนึ่งบอกว่าไม่ใช่ถ้าเห็นรูปไม่สวยล่ะเออเออเขาทําตาขึงใส่เราอเอี่ยงเออเราจะเป็นมงคลไหมตาของเราได้เห็นไม่ใช่แปลว่าไม่เออ ไม่เป็นมงคลทีเดียวเพราะว่ามันเป็นสองอทั้งทั้งตาเห็นเนี่ยทั้งดีทั้งทั้งเลวพวกนี่ว่าหเออที่จะยินเสียงเพราะเพราะสนอโชด น, นั่นแหละคือมองคลไม่ใช่บางทีเข้าด่าละ่ะอก็เลยเถียงกันไม่มีที่สิ้นสุดเพราะที่สุดก็เลยคำเถียงกันในมูมูมวลมนุษยชาติเนะี่ยไม่มีไม่ลงรอยกันเพราะนั้นเทวดาอีกได้ยินอีก เทวราได้เยินจิตไปถามกันอีกอันไหนคือมงคลพอถามไปทำาจนขึ้นไปบนสวรรค์ไปถึงพระ อ, อินทร์พระ อ, อินทร์ก็ตอบไม่ได้อีกมันเขาถามว่าอันไหนคือมงคลอันสูงสุดพระ อ, อินทร์ว่าไม่ได้ต้องมาลงมาถามพระพุทธเจ้าพอดึกดึ ก, ดกชะงักลงมาพระ อ, อินทร์ก็ลงมาถามว่าอันไหนหนอที่เป็นฉลิทิที่เป็นมงคลสาหรับมวลมนุษย์โลกที่พร้อมกับเทวโลกพระเจ้าค่ะ พระพุทธองค์บอกว่าพวกเธอจะไปถามที่อื่นถามเถอะไม่มีใครตอบได้แเราตถาคตเทนะที่จะตอบได้คือพระพุทธเจ้าเอ้าฟังมงคลเขาก็ได้ตัดเป็นมงคล38ดให้ฟังอเสวนาจะบาลานังบัณฑิตานังจะเสวนาขึ้นต้นนะเเสวนาจะบาลานังบัณฑิตานังจะเสวนาปูชาจะปูชนียานัง ไอเสวนาจะบาลานังอย่าคบคนผ่านอย่าไปครบคนชั่วบัณฑิตานั่งจะเสวนาให้ครบบัณฑิตนักปา่านปูชาจะปูชนียานังบูชาบุคคลที่ควรบูชาเนี่ยจะไล่ไปเรื่อยแล้ววันนี้มาตาปิดตุอุปัฏฐานังให้ปิดปฏิบัติมารดาปิดาเดี๋ยว่ากมงคลสามสิบปดให้พวกเราอ่านแปลไปที่ทั้งสิ้น น, นี่แหละอันนี้ก็คือสาเหตุคือเทวดาเป็นผู้ เป็นมนุษย์เป็นผูดด้เริ่มจน ถ, ถึงเทวดาเทวดาเจ็ดเรามากราบถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยแสดงมงคลและสูตรคือมงคลสามสิบแปดให้พวกเราได้สวดนี่แหละอันนี้คล้ายๆกับว่าเป็นการตักเตือนจึ่งกันละกันเป็นมงคลอันสรงสุดจากนั้นก็เราก็ได้สวดกรณียเมตตาสูตรเมตกรณียเมตตาสูตรคือพระสงฆ์สามสิบรูปไปบําเพ็ญอยู่ในป่า ไปแล้วไปภาวนาเนี่ยเทวดาเขาภูมิมลุคะเทวดาเขาไม่เห็นด้วยไงเขาลําบากพระสงฆ์เข้าไปอยู่ในป่าที่แรกท่านก็เขาก็อนุมโมธนาสาธุเห็นว่าพระสงฆ์จะไปอยู่แป๊บเดียวเขาจะออกมาแต่ที่ไหนได้พระสงฆ์ไปอยู่นานีไงจนให้เทวดาทั้งหลายลําบากใจจะไปที่ไหนจะขึ้นต้นไม้ก็อยู่ต้นไม้อยู่ป่าศาสตร์ตนเองก็ไม่ได้เพราะพระสงฆ์อยู่อยู่ข้างล่างพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นผู้มีศีลเทวดาก็เลยกันแกล้งไง ในที่เดินจะกรมวั่นที่นั่งภาวนาบัางทำให้เป็นผีหัวกุดหัวขาดทำให้มีเสียงอะไรขึ้นมาพระสงฆ์เหล่านั้นก็ไม่สบายไม่สบายใจจึงได้ออกจากป่ามามากราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าว่าพวกเธอผาสุขอยู่เหรอพระสงฆ์เหล่านั้นตอบว่าไม่แล้วพระเจ้าค่ะพระไปภาวนากลางคืนมาเห็นผีหัวกุดหัวขาดเมื่อน่ากลัวมากพระเจ้าค่ะ พุทธเจ้าเออเดี๋ยวเราจะให้ทำรรมาวุฒให้พวกเราพวกท่านทั้งหลายเรียนโอ้ยอย่าให้ข้าพระองค์ไปอีกเถอะข้าพองค์กลัวเอ้ยไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเราทำมาวุฒเอามาเรียนพระสงฆ์เหล่านั้นก็เลยเรียนเรียนกรณีเมตสูตรนะพระสงฆ์เหล่านั้นเรียนบอกว่าพอไปถึงใกล้ใกล้ป่านั้นให้ชกเธอสวด กรณียเมธถักกุชเลนะยันตังสั้นตังประทางอภิสเมเอจจะส โ, โกโอุตูจะสุหูสูสจะสวดไปเลยนะจนเข้าไปอยู่ในป่าแล้วเทวดาภูมิปันลูกหาเทวดาจะเป็นมิตรเป็นสหายพวกท่านเพราะพวกท่านมาเดมาเพื่ออย่างอื่นมาเพื่อบําเพ็ญภาวนาทําจิตใจให้หลุดพ้นจากอาสวกักิเลสเท่านั้นจนันนิพระสงก์เลยกลับไปอีกไปสวดสวดกรณียเมตตาสูเทวดาทั้งหลายก็เห็น ภูมิลุขะเทวดากอนุโมธนากับพระสงฆ์เหล่านั้นพระสงฆ์เหล่านั้นก็เลยอยู่ด้วยความผาสุกนีอันนี้ก็คือความเป็นมาของอกรณีเมตตาสูตรจากนั้นพวกเราก็ได้สูตรได้สวดว่าบิลูปกเขหิเมเมตตางเมตตังเอ ร, ประปเทหิเมอันนี้ก็คือพวกเราได้สวดแผ่เมตตาสาหรับพวกคุรพวกนากพวก อินพวกคมพวกตกแก่แมลงป่องตักคาบสัพพสัตทางหลายโดยไม่มีประมาณอัปมาโนพุทโธนะขอให้สัพพสัตทางหลายทุกวิญญาเหล่านั้นก็ขอให้มีความสุขทุกทวกิญญาทุกๆ ท, ท, ท, ท่านด้วยเถิดนะอันนี้ก็คือเราได้สวดวิรุปเเคจากนั้นก็อัติโลเกศิลคุโนอันนี้เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเกิดเป็นนก นกุ่มหามันอยู่ในป่าไฟไม่มานกุ่มก็เลยแข้งของข้าพเจ้าขาของข้าพเจ้าก็มีอยู่แต่ข้าพเจ้าบินไม่ได้นอกจากบุญบารมีสัจจะบารมีของข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาในอดีตชาติขอให้มาคุ้มครองข้าพเจ้าโดยเทอนอกจากสัจจะด้วยบุญด้วยกุศลของข้าพเจ้าแล้วจะไม่มีอะไรอันไหนจะคุ้มครองข้าพเจ้าด้ละคราวนี้ พ่ อ, พอแม่ก็บินหนีไปหมดแล้วข้าพเจ้าขาก็ยังอ่อนปีกก็ยังไม่มีไม่มีขนข้าพเจ้าอยู่ในหลวงลังขอสัจจะบา ร, รมีบุญบา ร, รมีของข้าพเจ้าจงคุ้มครองข้าพเจ้าด้วยเทินข้าวนีนะ่ไฟก็เล็ดดับห่างไม่เข้ามาใกล้นะอันนี้ก็เราล้ำลึกถึงบุญบา ร, รมีเนื้พญานกคุ้มท่านได้สวดที่ว่า อธิโลเลกศิรคุโน อ, อย่างพวกเราได้สวดจากนั้นกับนัโมเมสะพบุทธานังอันนี้คือเราเรามึกถึงพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้ามีหลายพระองค์จนถึงมาในพัตตกับนี้ก็มี5พระองค์คือกา ก, กากุทัานโธโกณคมโนกัสถโปและก็โคตโมนคือพระพุทธเจ้าสีพระองค์แต่ยังเราจะไม่ได้สวดอริยะเบตโยะนะเพราะว่า พระษีอ่านยังไม่ได้มาตรั์ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้ายัางเป็นพระโพธิสัตว์โยจากนั้นก็เนีวิปัสสิจะอนุปโมที่ขี้ส ป, ปาหิโตสัตท่านคือเราลำเลึกถึงพระพุทธเจ้า27พระองคอ์ที่เราสวดนโมมีสัพพุทธานังลำเลึกถึงพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก่อนหน้าพระพุทธเจ้าของเรา น, นี้คือเราสวดนโมเมจากนั้นเราก็ได้สวดอัชมยาอัชมยาคือการเป็นอยู่ของเราอาศัยปัจจัยสี่อันดับแร ก, กคืออาศัยอาหารต่อมาเราทานอาหารเพื่ออะไรเราทานอาหารเพื่อ ย, ยังชีพให้เป็นไปพึ่งจะทานอาหารขนาดไหนก็เถอะร่างกายนี่ก็ยังแก่ยังเก็บยังตายในที่สุด แต่เราทานอาหารเพื่อบำเพ็ญให้ได้บำเพ็ญทานศีลภาวนาหาทางพ้นทุกข์อันนี้ก็คื อ, อทีแรก อ, อันที่แรกก็คือเนี่ยผ้าบังตกูลก่อนคือผ้าห่มต่อมาคือเรามีผ้านุ่งห่มเพื่อปปิดร่างกาย เ, าเพื่อให้ได้บำเพ็ญการร้อนกันแดดกันหนาวการเหลือบกันยุงปปิกปิดร่างกายคือผ้านุ่งห่ม ต่อมาก็เรื่องอาหารเรื่องอาหารการบริโภคเราทานอาหารเพื่อยังชีพให้เป็นไปเพื่อได้บำเพ็ญบารมีเพื่อหาทางพ้นทุกจากนั้นก็คิล้านะคือยายาแก้โรคภัยไข้เจ็บเพื่อให้ได้รักษาสุขภาพเกี่ ย, กยาเอาไว้เพื่อได้บำเพ็ญทานศีลพาวาหาทางพ้นทุกจากนั้นก็เสนาสะนะที่อยู่อาศัย ที่พักพาอาศัยกันร้อนกันหนาวกันเหลือบกันยุ่งเพื่อให้ได้บําเพ็ญที่พักพาอาศัยถ้ า, าเราไม่มีผักพาอาศัยเวลาฟ้าตกฝนลงเราจะอยู่อย่างไรแต่เราก็ไม่ได้คิดว่าจะคุ้มกันคิดว่าจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ใช่นะอยู่บ้านดีๆอยู่บ้านดีๆกัแก่เจ็บตายเหมือนกันแต่ว่าเราอยู่เพื่ อ, อบําเพ็ญอยู่เพื่อหาทางพ้นทุกข์ในวัฏสงสารอ่า เพื่อถึงแดนพระนิพานเป็นเครื่องอยู่อาศัยเป็นสเสบียงเดินทางเท่านั้นเองอันนี้คืออัจฉมิยาอัิจัเวก ค, คิตตวะจากนั้นเราก็ได้สวดชาราธรมมหิเรามีความแก่ความเจ็บความตายใ น, นเราแปลอยู่แล้วนะจากนั้นก็อายังโค้มีกายอยู่กายของเรานี่แลมีอะไรบ้างอยู่ในกายของเราจากนั้นก็แผ่เมตตาอาหารสุขิโตโหมิออ สัพพสัตทั้งหลายจงเป็นสุขเราข้าไปเจ้าจงเป็นสุขนะตามสัต์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมที่ตนได้กระทําเอาไว้จากนั้นสัพเพสตาสดาหุนตุกเอาเวลาสุขชีวิโนขอให้สัพพสัตว์ทั้งหลายจะได้เบียดเบียนซึ่งกันละกันอันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วท่านแปลไว้อยู่แล้ว น, ะนี่แหละที่เราสวดเมื่อกี้นี่อย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวให้กับพวกเราคณะสัตยาโจมลูกหลานได้ฟัง ที่เราสวดมนต์เพื่อเป็นคําแปลหรือ ว, ว่าเป็นเรื่องที่พวกเราได้สรรเสริญพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพื่อเป็นชลิตเป็นมงคลสําหรับพวกเราแต่นี้สมัยหนึ่งหลวงพ่อจะเปรียบเทียบเป็นนิทานให้ฟังมาในพระไตรปิฎกนะมาในธรมรมปฏทักถามาในพระไตรปิฎกสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ในราวป่า เป็นป่าเป็นป่าละม ok ะแห่งหนึ่งอยู่ในเมืองชนรบแห่งหนึ่งในเมืองชนรบแห่งนั้นมีคนออกบวชออกบวชนอกศาสนาเขาบวชถึง48ปีเป็นคู่กันเป็นเพื่อนกันพอบวชแล้วทีนี้คนหนึ่งไม่อยู่ไม่ได้ซึก้ก็เลยขายบริขารให้คนอื่นพอสึกออกมากันมาแต่งงานแล้วก็ มาเลี้ยงวัวสมัยนะั้นคือเลี้ยงวัวนมอ่ต่อมาเขาก็มีลกูกเขามาอยู่แต่งงานกับแฟนเขาเขาเลมีลกูกพอมีลูกน้อยทเทไงไอ้เพื่อนกันที่บวช ด, ด้วยกันกับไปที่อื่นและกกลับมาเยี่ยมเห็นว่าเพื่อนศึกแล้วก็เลยกลับมาเยี่ยมกันพอมาแล้วก็ทั้งฝ่ายเพื่อนก็กลาบกลาบเพื่อนนะอ่าที่อกตัวเองเป็นคราวาดแล้ว อันนั้นท่านก็นเป็นเป็นผู้ถือศีลเป็นผู้ยังเป็นนักพธนักบวชอยู่เราเป็นคราวาตเหมือนกันเราศึกออกไปแล้วมากราบหมูพกเกิร์นครูบาอาจารย์เนี่ยถือว่าท่านเป็นผู้มีศีลเนี่ยพอกราบพอกราบเสร็จแล้วก็ให้เมียรกราบเก่าลูกมาให้ตัวเองอุ้มเอาไว้ลูกน้อยนะตัวแรกๆเน่ยเมียก็กราบเวลาผัวกราบหรือศีนักโพธนักนบอกว่า คุณจงมีอายุยืนนานขอให้คุณมีอายุยืนนานถ้าพอมีกราบลือศีนักพรตนั่นก็บอกว่าขอโยมหญิงจงมีอายุยืนนานแต่นี้ก็ให้ลูกชายตัวเล็กๆกราบพอลูกชายตัวเล็กๆกราบลาอีหรือนักพรตนักบวชนั้นเฉยไม่พูดอะไร กระให้พ่อบ้านเ่พ่อเนี่ยเป็นลูกชายกาบเนี่ยฤาษีไม่ได้พูดอะไรก็เลยถามว่าท่านผมกาบท่านก็ว่าให้พรว่าขอให้อายุยืนนานแม่บ้านผมกาบก็ขอให้อายุยืนนานแต่ลูกชายผมกาบเนยทำทำไมท่านไม่พูดอะไรอ่าทางทางนักพจนักบวชท่านก็บอกว่าเพราะว่าลูกชายของท่านเนี่ย อายุเขาจะไม่ยืนอีกจากนี้ไปประมาณสักเจ็ดวันเขาอ็าไปแล้วตายแล้วอ้าวทำไมนั่นแหละมันมีความเปลี่ยนไปอยู่มองอยู่เห็นอยู่แต่ไม่ีวิธีแก้ไขไหมสำหรับเราเราไม่ ม, เ ม, มีเราไม่มีความสามารถแต่มีส ม, มณะโคโดมพระพุทธเจ้ามีท่านคงจะรู้จักวิธีการวิธีการแก้ตัวเนี้ยเอ๊ เราจะไปหาท่านยังไงเอาไปหาที่ท่าท่านรักลูกของเธอก็ต้องไปหาผมไม่กล้าไปหาหนะ้าพ่อแต่ปากของผมคล้ายๆเขานับถือศาสนาหนึ่งเรื่องเนี่ยเหมือนกับเขานับถือศาสนาเคลตดอย่างเนี้ยถ้าผมไปหาสัมณะโครรมผมก็ต้องยอมเสียสละศาสนาของผมที่ผมนับถือมา ก, ก่อนผมไม่ไปนะไม่ไปกับก็ได้แต่ว่าลูกของเธอลูกของท่านไหนต้องตายเด้ถ้าเธอรักลูกเธอก็ต้องไปไปหา ไปกราบสมณะโคดมพุทธเจ้าหันรถต้องรู้วิธีทางวิธีการแก้ไขก็จําเป็นจําใจทีนี้โอ้ถ้าไม่ไปก็รักลูกทีนี้ลูกน้อยอยก็เลยไปกราบพระพุทธเจ้าไปด้วยกันสามอย่างที่วัดไปถึงนั่นแล้วก็ตัวเองก็กราบพระพุทธองค์ก็ว่าอุบาสกจงมีอายุยืนนานแต่นี้ก็เมียก็เอาลูกให้พ่อให้ผัว เมียก็กราบพระพุทธองค์ก็ให้พรว่าเพรโยมหญิงจงมีอายุยืนนานแต่นี้ก็เอาให้ลูกชายกราบเนี่พอลูกชายกราบเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ไม่ตรัสว่าอะไรอีกเฉยอีกเหมือนกันอ้าวก็เลยกราบพูลถามพระพุทธเจ้าว่าอทําไมพระพุทธองค์จึงเวลาลูกชายของข้าพระองค์กราบเนี่ยทาไมพระองค์จึงไม่ให้พรเหมือนกับข้าพระองค์พระพุทธองค์บอกว่า ลูกของเธอนลูกของโยมเนี่ยอายุจะไม่เกินเจ็ดวันจากนี้ไปเขามีอันเป็นไปเพราะบาปกรรมของเขามันมีและมีวิธีแก้ไขไหมพระเจ้าขาดมีมีวิธีแก้ไขแต่ถ้าว่าโยมปฏิบัติอย่างที่เราสั่งไหมถ้าเราตถาคตสั่งแล้วก็ให้ปฏิบัติตามแล้วก็มีเป็น ม, มีมีช่องทางเป็นไปได้ก็จะให้กระผมทำยังไงเออนี่นะ กลับไปนี้ให้ไปทำมนดบเอ่เป็นดบไปทามนดบที่หน้าบ้านสร้างมนดบขึ้นมาคล้ายๆกางเต็นขึ้นมาเนี่นะกางเต็นขึ้นมาแล้วก็ให้จัดเป็นอาสนะพระสงฆ์แล้วก็จัดเป็นที่ทตรงกลางให้ให้ลูกของของเธอนะของท่านเนี่ยมาเป น, นอนเป น, นอนอยู่ตรงนั้นตรงกลางแล้วก็ให้พระสงฆ์ทั้งหลายนั่งร้อมรอบ ที่ก็ได้สิบกที่ก็ได้นั่งรอบๆแล้วก็จะให้พระสงฆ์สวดมนต์สวดพระปริตตะนัแหละลูกของท่านจะจะหลอดพ้นจากความตายภายในเจ็ดวันโอ้ข้าพระองค์ทำได้มนตบที่จะจัดอาสนะแต่ไม่รู้จะหาพระสงฆ์ได้อย่างไรพระเจ้าค่ะพระพระองค์บอกว่าเมื่อท่านทำมนต์บเสร็จเรียบร้อยแล้ว ยังค่อยมาแจ้งเราตถาคตเราจะส่งพระสงฆ์ไปจากนั้นพามก็รีบไปจัดการไปทำพอทาเสร็จแล้วก็มากราบทูลพระพุทธเจา้าพระองค์ก็เออเอาพระสงฆ์ไปนั่งร้อมรอบกุ ม, มารและกระสวดพระปริตะมงคลไม่ให้มีระหว่างไม่ให้มีระหวางไอ้เขาสวดตลอดเอ่อจวันเจคืนนะ่ะเอ่อสวดเนะ พระสงฆ์ไปก็ได้รับพระบัญชาพระพุทธเจ้าไปกระสวดค ง, งจะเปลี่ยนกันฉันจังหันมัง่งสวดอยู่ตลอดพอวันที่เจ็ดพระพุทธองค์ก็เสด็จไปไปในปรัมพิธนะีพอเสด็จไปเทพเจ้าเหล่าเาทเาวาผู้มีบุญหนักสักใหญ่ทีนี้ก็มาล้อมพระพุทธเจา้ามาฟังธรรมของพระพุทธเจา้าท่านบอกว่ามันมียักษ์ตัวหนึ่งยักษ์ตัว น, นี้นะ่ะ ไปปลนิบัติพญาเวชชุวันพญาไปกึ้นคือพญายักษ์เป็นตระกูลของยักษ์ไปปฏิบัติอยู่สิบสองปีแต่ในพอสิบสองปีคนได้รับพรว่าเออเนี่ย เ, ออเมื่อ เ, อ, อเราให้พรให้เราจะให้พรให้ไปกินเด็กคนนั้นน่นเนี่ยเด็กที่เกิดคือเป็นคู่อริคู่กรรมคู่เวรกันมาก่อนให้ไปกินเผาได้ลักษณะอย่างนั้นแหะแตอนนี้ยักษ์ ตอนนั้นก็พอพ้นจากหลังวันที่ได้ไปปนที่บัดเท้าเวชชุวันเสร็จแล้วท่นี้ก็มาเลยเท่านมาเพื่อจะมาจับเด็กกิ น, นแต่เนี้มาพอมาเจอพระสงฆ์พระสงฆ์กําลังนั่งนั่งล้อมรอบกลุ่มมานั่นอยู่อยักษ์ก็มันเข้าไม่ได้ท่นี่เพราะเหตุพระสงฆ์ล้อมรอบเพรมีบุญพ่อเทวดาที่รักษาล้อมรอบอยู่ จากนั้นพอวันที่เจ็ดพระพุโรงเสด็จมาเองพอเสด็จมาเท่านั้นแหละเทวดาผู้มีบุญหนักสักใหญมาล้อมรอบอยนี้ยักษ์ตัว น, นั้นมันมีบุญหนักสักน้อยไงเหมือนกับพระเจ้าแผ่นดินเสด็จมาชาวไร่ชาวนาก็ต้องออกห่างจากครูบาอาจารย์ลักษณะอย่างนั้นแหละแต่เนี่ยออกไปอยู่ห่างไกลถึงสิบสองโยชนี่ไงยักษ์ตัว น, นั้นออกไปอยู่ถึงห่างไกลถึงสิบสองโยธ ไม่เข้ามาใกล้แต่นี้ก็ที่ยักษ์ตัว น, นั้นได้รับพรบอกว่าเนี่ยเจ็ดวันให้จับเด็กคนนี้กินได้แต่นี่มันเกินเจ็ดวันีลยเพราะว่ามันเกินเจ็ดวันไปแล้วทีนี้มันหมดสัญญามันหมดสัญญาจากเท้าเวชจวนมันก็จับไม่ได้ทีนี้เพราะว่ามันหมดสัญญาเลอคือสัญญาของ เทพเจ้าหรือเทพยักษ์ทั้งหลายแต่เนี่ยมันเป็นสัจจะจริงจังและจริงใจไม่เหมือนสัจจะของมนุษย์ของเราทะเลตะไลทะลอะเละเลกไปเรื่อยแต่สัจจะของเทพกายเทพเนี่ยเขาวันไหนกับวันนั้นฮะพอถึงอารุณสว่างขึ้นวันที่เจ็แล้วเขาหมดจับกินไม่ได้อีกแล้วจากนั้นพระองค์ก็ไปในวันที่เจนั่งทั้งคืนตรวจพบ โปรดพระสงค์สวดพระปริตตะมงคลจากนั้นพอรุ่งสว่างขึ้นมาพระพุทธองค์ก็บอกว่าพรามณ์ลูกของเธอเนี่ยพ้นขีดอันตรายแล้วนะแล้วก็จะตั้งชื่อว่าไงเขาก็เลยตั้งชื่อว่าอายุวัฒนกุมารเรียกว่าตั้งอายุายวัฒนกุมารเขาก็ได้ถามว่ากุมาร น, นี้จะมีอายุยืนเท่าไหร่พระเจ้าค่ะพระพุทธองค์บอกว่ากุมาร น, นีจ้จะมีอายุ ร้อยี่สิบปีฮะในพระตั้งหรือก็ตั้งชื่อว่าอายุวัฒนกุ ม, มารอายุของเขาจะยืนถึงร้อยยี่สิบปีเนี่ยจากนั้นเขาก็ซาทุจากนั้นเ้าก็พระสงฆ์ก็เลยเลิกลากันยากตอนนั้นก็ไม่ไม่มากินไม่มาจับเด็กตอนนั้นกินจากนั้นเด็กคนนี้ก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยฮะจนเป็นหนุ่มแล้วก็มีบริวารถึงห้าร้อบริวารของเขา ก็ไปการาบพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ทั้งหลายอเองอายุวัฒนะกุ ม, มารเนี่ยแต่ก่อนเกือบตายนะที่พระพุทธองค์นะเนี่ยไปนั่งสวดพระปริตสามมงคลพร้อมกับพระสงฆ์เนี่ยจึงได้รอดพ้นมาได้แต่เขามีอายุยืนแล้วก็มีบริวารถึง500ร้อยอต่างหากพระพุทธองค์เสด็จมาบอกว่าพระสงฆ์ทั้งหลายอายุวัฒนะกุ ม, มารเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเขาเพียงสวดพระปริตเท่นั้นนะ เขาเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นผู้กราบไหว้ผู้ใดก็ตามเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักสูงรู้จักต่ำรู้จักกราบไหว้พ่อแม่ปู่ย่าตายายและเขผู้มีพระคุณไวยยวุฒิคุณนวุฒิคนนั้นจะมีอายุยืนนานเป็นว่าอภิวาอภิวาธนาสีดิสนิจังมุธาปจายาโย จัตตารโอธรรมมาวัฏฐานติอายุวนนันโนสุขขปาลังเอภิวาคืออภิวาสธนาสีฤทชนิดจยางวุธาคือวุธทาธาคือวุฒิคือสี่นี่ยวุฒาปจจายีโนจัตตารโอคือจัตตารโอคือจัตสี่อย่างเนาาีอายุวนนันะสุขขปาละจัตตารโอธรรมมาวัานติอายุวันโนอายุวันะสุขขปาละจะเจริญกับผู้ที่ อ่อนน้อมถ่อมตนผู้กราบไหว้เคารพสักการะบูชานี่นแหละพระปริตะมงคลถ้าเราสวดทุกวันก็เป็นมงคลสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายเหมือนกนันนะเพราะนั้นขอให้พวกเราอย่าขี้เกียจควรหลับควรนอนไหว้พระสวดมนต์ก่อนที่จะนั่งภาวนากรสวดอิติปิโสสวาคาโตสุปิฏิปัโนกายเยยวาจาอย่างน้อยนะ เ, เพื่อเป็นสิริเพื่อเป็นมงคลสําหรับพวกเรานี่แหละ ที่หลวงพ่อได้นาเรื่องนิทานสาทกให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาอันนี้มาในพระไตรปิฎกนะไม่ใช่หลวงพ่อพูดขึ้นง่าง่ายนะให้พวกเราไปค้นเอาดูเถอะในธรมรมปทัตกถาที่มาในพระไตรปิฎกเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกนคณะญาติญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่านะให้ฟังฟังเอาไว้นะแต่วันนี้หลวงพ่อจะให้ฟัง MP3 ของหลวงพ่อสักกันหนึ่ง แต่กันนี้เป็นแนวทางนะหลวงพ่อเคยอบรมหลวงพ่ออบรมพระที่วัดของหลวงพ่อนะ เ, อเกี่ยวกับยาปลาหมาดครูบาอาจารย์เน่าพวกเราทารั้งหลายพวกเรายัางไม่รู้ว่าครูบาอาจารย์นาณาจิตต่างนานาทัศ น, านา์ถ้าครูบาอาจารย์คิดอย่างหนึ่งทําอย่างหนึ่งทําให้ผิดหลักธรรมวินยัยแล้วเราจะไปปลาหมา ท, ท่านไม่ได้น้ําบาปนะเออพระในครทางพระพุทธเจ้ า, ามีพระองค์หนึ่งท่านเห็นญาติโยมเชนว่า ไอ้ถอยอ่าไปยังไงมายังไงเถ็งผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามอีถอยไอ้ถอยพวกนี่คนที่ไม่เจอกันไม่เคยเห็นกันมันเป็นเลียดไอ้ถอยทีเดียวเนยะก็ถามว่ามีโยมคนหนึ่งขนขนไอ้พริกขี้หนูเนะี่ยเอาไปขายในตลาดใช่มล่ะก็ถามไอ้ถอยอะไรอยู่ในเกวียนตะแกนะ ไอ้ที่ก็โมโหขึ้นมาจะ้ะขี้หนูที่แท้มันพริกเบมัอนกันเถอะขี้หนูต่นี้ก็พอเสร็จแล้วก็ไอ้ที่ก็เอาไปเอาไปในตลาดพอไปในตลาดนี่ไอ้พริกมันเป็นขี้หนูทั้งหมดบาะเนี่ยตายขายไม่ออกว่านี้เป็นแต่ขี้หนูเต็มเกวียนเอ๊ตายก็เลยไปพูดกับทายกคนหนึ่งเลยเอ๊ ทำไมผมขนเพกมากลับมามาเห็นขี้หนูเออมีอะไรที่ผ่านผ่านตามทางมาเมืนโอยผมก็เห็นสมณะเอ อ, องคหนึ่งแล้วศีษะโลนเนี่ยนะมาเห็นผมก็ไม่ได้ถามอะไรไมีแต่ว่ไอ้ถอยอะไรอยู่ในเกวียนผมก็บอกซื่อๆเลยขี้หนูเมืนะนะเอ่อวานนั่นน่ะเออผมเอามาขายแล้วเป็นขี้หนูจริงๆแล้วจะทํายังไงเนี่ยโอ้ยอันนั้นบาปกรรมวัยเออไปไปไปไ ป, ไ ป, ไปเดี๋ยวจะพาไปอยู่ที่ไหนองค์เนี้นะ่ะ ท่านก็นเลยนะเน่ยเป็นพระเถระที่เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเป็นที่ยอมรับของเทวดาอีกต่างหากได้แต่ไหนก็ามากันนี่แหละก็ามากราบโอ้ยพระคุณท่านโยมอมขอโทษขออภัยมากๆที่ลงผมพูดแบบอารมณ์เพราะท่านได้ถามมาแล้วก็เลยพูดไปโดยความไม่รอบคอบขอพระคุณเจ้าจงโปรดเมตตาโหสิให้พวกขับพระเจ้าด้วยเทิน เอข้าพเจ้าเสํานึกผิดพระเทเรซท่านก็ท่านก็รู้แก่ใจเหมือนกันเพราะว่าท่านพูดนิดสัยของท่านฮเอท่านว่าไอ้ถอยฮอไอ้ถอยฮตอนนี้ก็เลยโอ้เอ้าวอาตมาอาโหสิให้นายโยมเนอะอาตมาก็พูดไปอย่างงั้นแหละพูดเป็นนิสัยอเป็นเรื่องนิสัยของอาตมาอ เท่านั้นาทุกพอกับไปไอ้ขี้หูในเกวียน เ, นยเป็นเพล็กเอกอย่างเก่าก็เลยได้ขายนี่แหละพระพุทธองค์บอกว่าพระหันเนี่ยพระหันแต่สาวกเนี่ไม่สามารถที่จะล ะ, ะนิสัยวาสนาของตนเองได้นิสัยก็คือนิสัยดั้งเดิมมาอย่างไงก็โดยมากมันจะเป็นอย่างนั้นเป็นคารวาะมาอย่างไงเป็นนิสัยวาสนามีแต่เราตถาคตองค์เดียวเท่านั้นแนหะ เ, เปลี่ยนนิสัยเขาตนเองได้นอกจากนั้นภาษาวกเนี่ยเปลี่ยนนิสัยไม่ได้เนอนี่แหละอันนี้หลวงพ่อก็ได้พูดอบรมพระของหลวงพ่อเหมือนกันอย่าประมาทคู่บ่ายจานเนอลูกหลานทางรายเนอร์ออถ้ารู้อะไรยังไม่รู้จริงอ่ะไม่ใช่ว่ามัวเมียแต่ไปหาประมาทท่านโดยที่ไม่ได้คิดอ่านบาปกรรมมันจะวิ่งเข้ามาหาตัวเองนะจะว่าไม่บอกหนะ้าลูกหลานเนอเพราะนั้นหลวงพ่อจะให้เปิดเทศกันนี่ที่อบรมพระ ให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาในะลูกหลานเอาต่อไปนี้นั่งสมาธินี่นะนั่งฟังไปเรื่อยๆนะบานีนะ